สุขภาพคงเราเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะสุขภาพดีก็ทำให้เราทำอะไรดีๆได้หลายอย่างรวมทั้งการทำความดีการปฏิบัติธรรมด้วยและการที่เราจะรู้ว่าสุขภาพดีหรือไม่ส่วนหนึ่งก็อาศัยการตรวจสุขภาพนะเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นนะตรวจสุขภาพซึ่งส่วนใหญ่ก็ไปที่โรงพยาบาล วิถีพิจต่ตวสุขภาพอย่างหนึงคือตรวจเลือดนะตรวจเลือดดูระดับน้ำตาลดูระดับไขมันแล้วก็สารต่างๆที่อาจจะเป็นตัวบ่งชี้โดยเฉพาะโรคหัวใจโรคเบาหวานเนี่ยาจะเป็นโรคที่เกิดขึ้นกับคนจำนวนมากไม่ต้องพูดถึงโรคมะเร็งในี้การ์ตรวจสุขภาพก็ซับซ้อนมากขึ้นนะมีการ วัดการเต้นของหัวใจหรือว่าดูการทำงานของตับนะด้วยเครื่องเอ็กซโคเงี้ยซึ่งสหรับหลายคนนะอย่าว่าแต่ตรวจหัวใจด้วยคลื่นไฟฟ้าเลยนะแม้กระทั่งตรวจเลือด ก, ก็อาจจะไม่มีเวลาแล้วก็สิ้นเปลืองมากแต่ตอนนี้มันมีวิธีใหม่นะที่เข้าท่าใช่ไโดยเฉพาะสำหรับผู้สูงวัยนะ ไม่ต้องไปโรงพยาบาลนะตรวจเช็คด้วยตัวเองได้ว่าทำยังไงนะยืนขาเดียวนะยืนขาเดียวแล้วก็ลองนับนะถึงสิบวินาทีหรือเปล่าถ้ายืนขาเดียวถึงสิบวินาทีนี่อันนี้อย่างน้อยเนี่ยก็พอจะบอกได้ว่าโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคความดัน แต่ยังไม่เกิดหรือว่าไม่รุนแรงเท่าไหร่แต่ถ้าใครยืนขาเดียวแล้วเนี่ยอยู่ได้ไม่ถึง10วินาทีนี่มีโอกาสที่จะตายด้วยโรคหัวใจโรคเบาหวานได้นะใน1ิปีข้างหน้านะยาวเลยนะถึง10ปีข้างหน้าอันนี้มันเป็นผลจากการศึกษาวิจัยนะ ที่ประเทศบราซิลเนี่ยเขาศึกษาจากคนอายุห0สิบถึงเจ็ดิบห้าปีนะสองพันคนนะแล้วก็เช็คนะให้ยืนขาเดียวยืนขาเดียวเนี่ยนะมันก็มีวิธีง่ายๆคือว่าเนี่ยสมมติเรายืนด้วยขาซ้ายเราก็เอาด้านหน้าของเท้าขวาเนี่ยไปแตะด้านหลังของเท้าซ้าย คล้ายๆว่าเอาเท้าซ้ายนี่เอาเท้าขวานี่ไปไปพักหรือไปเกาะไว้ที่หลังเท้าซ้ายหรือถ้าเรายืนเท้าขวาก็เอาด้ า, านขวาของเท้าซ้ายนี่ไปพักอยู่ที่ด้านหลังของขาขวาแล้วก็นำนักสึกพี่นาชีเนีก็เพราะว่าคนที่ทําไม่ถึงนะแล้วก็สึกต้องพยายามมากเลยนะกว่าจะยืนให้ได้ปั๊เนี้ย มีโอกาสที่จะตายเพราะโรคหัวใจโรคเบาหวานหรือความดันเนี่ยนะใน10ปีข้างหน้าเนี่ยประมาณ 80% กว่าเปอร์เซ็นต์นะไม่ได้ 100% นะแต่ว่า 80% นี่ก็เยอะนะเมื่อก็เข้าท่าดีนะคนที่อายุ50สิขึ้นไปนี่ลองทำดูก็ได้เพราะมันเกี่ยวพันกันนะถ้าทำไม่ได้ก็แสดงว่าหัวใจนะเริ่มมีปัญหาแล้ว ซึ่งก็ย้อนถึงเรื่องความดันแล้วก็อาจจะสัมพันธ์กับโรคเบาหวานแต่เขาก็ยังไม่ได้อธิบายนะว่ามันเกี่ยวพันกันยังไงแบบชัดเจนนะแต่เขาอาศัยข้อมูลเชิงสถิตินะอันนี้ก็เป็นวิธีการเช็คตัวเองง่ายๆซึ่งก็ไม่ได้เสียหายอะไรถ้าเกิดว่าทำไม่ได้ก็อย่าเพิ่งตกใจนะ ก็แสดงว่ามันมีสัญญาแล้วนะว่าหัวใจเราไม่ค่อยดีเราสุขภาพเราโดยรวมโดยเฉพาะโรคเบาหวานก็อาจจะเริ่มปรากฏนะตอนนี้ก็จะไดอ้ออกกำลังกายให้มากขึ้นควบคุมอาหารโดเฉพาะหวานมันเค็มหนึ่งอย่างที่ผดไปเล่าเมื่อวันก่อนมันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีนะแต่ว่ามัน เป็นสัญญาณที่จะบ่งบอกในสิบปีข้างหน้าและหลายๆกันนั้นก็มีงานวิจัยอีกเช่นหนึ่งนะสาหรับคนแก่มันกันนะเบอกเนี่ยคนสูงไวเนี่ยนะถ้าเริ่มเดินช้าลงเริ่มช้าลงทุกปีทุกปีนะ เ, ออ 60, เนื่ยพ่อยุ่งแต่หกสิบพังเจ็ดสิบเนี่ยขึ้นไปเนี่ยเริ่มเดินช้าลงช้าลง มันมีแนวโ น, น้มนะที่จะไปโรคสมองเสื่อมนะสมองเสือ่อมคือความจําเสื่อมโดยพราะถ้าเกิดว่ามีการทดสอบอย่างอื่นด้วยนะเช่นทดสอบเกี่ยวเรื่องความจําทดสอบเกี่ยวเรื่องการพูดพูดช้าลงนึกศัพท์ได้ช้าลงถ้ามี2 อ, อย่างประกอบกันเนี่ยนะมีโอกาสที่จะไปโรคสมองเสื่อมนะในอีกไม่กี่ปีโรคสมองเสื่อมนี่มันก็เป็นโรค ที่คลุมหลายชนิดเลยนะโรคอัลไซเมอร์ก็เหมือนกันนะถือว่าจัดอยู่ในประเภทโรคสมองเสื่อมซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของคนแก่ในยุคปัจจุบันคนเดี๋ยวนี้อายุยืนเป็นยอดปรารถนาของผู้คนนะอยากจะมีอายุยืนแต่พออายุยืนแล้วเนี่ยมันมีอย่างอื่นตามมาไม่ใช่แค่กำลังวังชาน้อยลง แต่บางทีความจำก็เริ่มเสื่อมมันก็ไม่ใช่เรื่องดีนะสหรับการมีอายุยืนนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นกับทุกคนหรือว่าเกิดขึ้นแบบเจาะจงวัยนั้นวัยนี้นะแต่มันก็เป็นเครื่องที่ที่เราถ้าเรามัดระวังก็ดีอันนี้ก็ใช้พนะิจารณาตัวเองได้นะถ้าเกิดว่าเริ่มเดินช้าลง อาจจะสังเกตพ่อแม่ของเราก็ได้อันนี้ก็เป็นสัญญาณที่มันไม่ต้องพาตัวเองไปตัวเช็คในโรงพยาบาลแล้วก็ไปเจอกับเครื่องไม้เครื่องมือที่มันซับซ้อนราคาแพงและบางทีอันตรายบางทีก็ใช้ทดสอบดูตัวเองได้แล้ววันนี้มันก็เป็นสัญญาณนะเป็นสัญญาณของความเจ็บความป่วยของภาวะทุพพลภาพร่างกายของเราเนี่ยนะก่อนที่จะล้มป่วยเนี่ย มันก็จะมีการส่งสัญญาณมาบางอย่างก็ส่งสัญญาณชัดเจนบางอย่างก็ส่งสัญญาณไม่ค่อยชัดแต่ว่าส่งสัญญาณเนื่นๆอย่างยืนขาเดียวเนี่ยนะไม่ได้เนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ร่างกายส่งมาบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นในสิปีข้างหน้าแต่บางยามก็ส่งสัญญาณนะเตือนเราล่วงหน้าไม่นานเราก็ต้องฟังนะเช่นพอเจ็บพอป่วยเนี่ยนะ เพราะว่าทํางานเยอะหรือเครียดมากเนี่ยอันนี้คือสัญญาณแล้วบางคนไม่ฟังนะยังทําต่อไปเรื่อยๆไม่กี่เดือนนะไม่กี่ปีเนซะลล์ในสมองแตกหรือว่าเป็นโรคอย่างอื่นอันนี้เพราะว่าไม่ฟังสัญญาณของร่างกายต้องฟังบ้างนะซึ่งก็ต้องอาศสตินะถ้าไม่มีสติเนี่ยมันมันไม่ได้ยินนะสัญญาณจากร่างกายแต่ถ้าเราฟังอนะ่ะเราก็ได้รู้ตัวแล้วเราก็ได้ปรับปรุงพฤติกรรม รวมทั้งการฝึกจิตฝึกใจด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องรู้จักฟังมั่งนะสัญญาณจากร่างกายนะถ้าเราฟังเป็นนะมันก็ช่วยได้เยอะ